อระหะโตสัมมาสัมพุทธเจาหิริโอตตปิยันเยวะโลกังปาเลติสาธุการติอิณับนี อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในโลกบาลธรรมกถาพนานาถึงธรรมะคุ้มครองโลกหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือ ได้ดีเพราะกลัวได้ชั่วเพราะกลา้าปรารภในโอกาสที่พองพุทธบริษัทอุบาสกบาสิกาชาววัดประยรวงสาวาตวรรวิหารได้มีศรัทธาประสาทเสียสละโอกาส กิจการทางเคหสถานบ้านเรือนมาสู่พระอารามเพื่อได้บำเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีอันเป็นกิจและเป็นวิสัยของชาวไทยชาวพุทธท่านหลายวันพระหรือวันธรรมัะสวนสนี นับว่าเป็นวันพระแรกของปีพุทธศักราช2557หรือปีใหม่เพราะฉะนั้นกลิ่นไอของปีใหม่ก็ยังอยู่เราท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยเอาชนะอุปสรรคปัญหาและมารต่างๆ จนมีโอกาสได้ต้อนรับปีใหม่อีกวาระหนึ่งนั้นก็นับว่าเป็นผู้มีบุญและเป็นผู้มีโชคดีส่วนผู้ไม่มีบุญหรือไม่มีโชคไม่สามารถที่จะมีโอกาสได้อยู่ต้อนรับปีใหม่จะด้วยเหตุอันใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เป็นที่ประจักษ์ว่าในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าเพื่อจะต้อนรับปีใหม่นั้นมีพี่น้องชาวไทยเสียชีวิตไปถึง366ชีวิตอันเกิดจากการเดินทางไปต้อนรับ ปีใหม่ในต่างจังหวัดบางท่านบางคนก็อาจจะดำเนินชีวิตผิดพลาดไม่เป็นไปตามกฎกติกาของชีวิตหรือกฎกติกาของบ้านเมืองบางท่านไม่ได้เป็นผู้ประมาทแต่ผู้อื่นประมาท ก็เป็นเหตุเป็นเหตุให้ได้รับผลกระทบไม่มีโอกาสได้อยู่ดำเนินชีวิตในปีใหม่แต่เราท่านทั้งหลายได้อยู่มาถึงวาระเช่นนี้จึงนับว่าเป็นผู้โชคดีจึงขอเช่นชมยินดีกับทุกทุกท่านไว้นักโอกาสนี้อีกวาระหนึ่ง เป็นที่ประจักษ์ว่าเรื่องวันเดือนปีนั้นเป็นเรื่องของการเวลาการเวลาย่อมหมุนเวียนเปลี่ยนแปรไปตามกฎของธรรมชาติไม่มีวันหยุดไม่มีชื่อไม่มียี่ห้อไม่มีวันสุภาพไม่มีวันเกเร ไม่มีดีไม่มีร้ายไม่มีธงชัยไม่มีอธิบดีไม่มีอุบาทไม่มีโลกาวินาทในตัวของมันเองแต่ว่าทุกอย่างมีขึ้นเพราะมนุษย์เป็นผู้บัญญัติสมมติขึ้นกำหนดขึ้นเพื่อที่จะได้ประกอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ให้เกิดความพร้อมปรังที่เรียกว่าเลิกงามยามดีส่วนวันใดที่ไม่เกิดความพร้อมเรียงพร้อมปรังทำอะไรไม่สาเร็จไม่ก้าวหน้าก็เรียกว่าเลิกไม่งามยามไม่ดีเพราะฉะนั้นวันเวลานั้นโบราณท่านอุปมาเหมือนภรยายัก ดังที่ทุกท่านได้เคยสดับอยู่หนึ่งเนื่องว่าปริ ย, ยักษ์ตนหนึ่งนามมีหน้าสามหน้ามีดวงตาสองข้างข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งริบหรีมีปากสิบสองปากมีฟันไม่มากปากละสามสิบซี่กินสัตว์ทั่วปฐพีปริ ย, ยักษ์ตนนี้ ได้แก่อะไรท่านก็เฉลยว่าได้แก่การเวลาพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสรับรองเอาไว้ว่ากาโลคสติภูตานี้สัพพาเนวสหัตนาการเวลาย่อมกลืนกินสรพสัตว์ทั้งหลายกับทั้งตัวของมันเอง เหมือนปีนี้ก็กลืนกินปีที่แล้วอาทิตย์นี้ก็กลืนกินอาทิตย์ที่แล้ววันนี้ก็กลืนกินเมื่อวานนี้ชั่วโมงนี้ก็กลืนกินชั่วโมงที่ผ่านมาเพราะฉนั้นที่ว่าพระ ย, ยักษ์ตนหนึ่งนามีหน้าสามหน้า ท่านก็อุปมาเสมือนฤดูกาลบ้านเรามีสามฤดูกาลหรือสามหน้ามีหน้าร้อนหน้าฝนและก็หน้าหนาวนี่คือหน้ายักษ์หน้าสามหน้ามีดวงตาสองข้างมีกลางวันและก็มีกลางคืน ข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งริบรีกลางวันก็สว่างสวยัยกลางคืนก็ริบรีมีปากสิบสองปากเดือนหนึ่งมีปีหนึ่งมีสิบสองเดือนมีฟันไม่มากปากละสามสิบซี่เดือนหนึ่งมีสามสิบวันเป็นประมาณกินสัตว์ทั่วปฐพี พระเห็นเนนชีกินเรียบหมดนั่นก็คือการเวลาที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปในแต่ละวันท่านทหลายปีเก่าผ่านไปปีใหม่ผ่านเข้ามาสิ่งที่การเวลามอบให้แกเราท่านทหลายแบบได้เปล่าไม่ต้องเสียเงิน ไม่ต้องเสียของได้มาฟรีๆด้วยกันทุกคนก็คือความแก่ความแก่นี่แหละคือสิ่งที่การเวลาเป็นผู้มอบให้แต่คำว่าแก่มันไม่แพระเดี๋ยวนี้ก็เรียกใหม่ว่าเป็นสอวอก็คือผู้สูงวัยอันสอวอนั้น มีหลายลักษณะหลายระดับเช่นสวาทางอายุสวาทางสังขารสวาทางประสบการณ์สวาทางคุณวุฒิและสวาทางคุณธรรมสวาทางอายุ มีอายุเข้าเขตปัจฉิมวัยบ้านปลายชีวิตนี่ก็เป็นสวสวาทางสังขารใช้มานานสังขารก็เป็นเครื่องยนต์ชนิดหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงอุปมาว่าเหมือนเครื่องยนต์นกลไกเรียกว่าสรีระยนต์ ใช้นานๆเข้าก็มีเสื่อมโทรมมีชำรุดก็ต้องปรับปรุงแก้ไขสวทางประสบการณ์อยู่นานวันนานเดือนนานปีได้มากเท่าไรผ่านร้อนผ่านหนาวมากเท่าใดประสบการณ์ก็มากขึ้นเท่านั้นสวทางคุณวุฒิหรือคุณวุฒิที่ เมื่อเก็บสะสมประสบการณ์มากความรู้ความเข้าใจในชีวิตก็มากขึ้นในขณะเดียวกันผู้ที่มีอายุมากขึ้นเรียกว่าเป็นบุคคลต้นแบบทั้งแบบแผนแบบอย่างแล้วก็แบบฉบับในทางที่ดีงาม ท่านเรียกว่าเป็นสวทางคุณธรรมแม่ญาติโยมทุกท่านเข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือบำเพ็ญคุณงามความดีทั้งแกตตนแก่สังคมประเทศชาติที่ใดที่หนึ่งก็ตามก็เรียกว่าทำดีไว้ให้ลูกทำถูกไว้ให้หลาน ทำดีให้ลูกหลานดูกระดันอยู่ให้ลูกหลานเห็นเป็นร่มโพร่รมใสให้ลูกหลานได้เย็นเรียกว่าเป็นสวทางคุณธรรมทั้งหมดทั้งปวงนี้เมื่อย้อนกลับมาถึงคําว่าแก่ซึ่งภาษาธรรมะภาษาพระเรียกว่าชาราหรือคล่ำคลา แก่ก็มีหลายแก่เช่นแก่ขึ้นแก่ลงแก่ขึ้นขึ้นลงลงและแก่ไม่ขึ้นไม่ลงแต่ละแก่มีความหมายอย่างไรแก่ขึ้นเป็นเรื่องของวิวัฒนาการความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเช่นต้นไม้ เราปลูกไว้มันจเจริญเติบโตผริดอกออกใบให้ร่มให้เงาให้ผลนี่ก็เรียกว่ามันแก่ขึ้นลูกหลานจเจริญเติบโตจากทารกมาเป็นเด็กจากเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่ก็เรียกว่าแก่ขึ้นเป็นวิวัฒนาการแก่ลง หมายถึงเราท่านทหลายผู anship, <t ika> Points, ้มีอายุเข้าเขตปัจฉิมวัยเมื่อใช้สังขารมานานความชราเข้าครอบงำอนิจจังเข้ามาเยือนก็แก่ลงหมายความว่าที่เคยยืนเด่นเป็นสง่า ก็ต้องน้อมลงนั่งอยู่บนเก้าอี้บนตำแหน่งสูงสูงก็ต้องกระเียณลงจากเก้าอี้แก่ขึ้นขึ้นลงลงนั้นหมายความว่าควบคุมตนไม่ได้เป็นคนที่เปราะบางต่อสิ่งที่มากระทบเช่นโลกกระทําเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย เดี๋ยวรักเดี๋ยวชังที่เขาบอกว่าอารมณ์บูตอนเช้าอารมณ์เน่าตอนเพลงอารมณ์เหม็นตอนค่ำอย่างนี้เป็นต้นแต่แกที่ดีที่สุดแกไม่มีอันตรายก็คือแกไม่ขึ้นไม่ลงหมายความว่าเป็นคนคงที่ภาษาพระเรียกว่าตาทิบุคคล อะไรจะมากระทบก็ไม่หวั่นไหวเพราะอำนาจที่รู้เท่ารู้ทันต่อสิ่งที่มากระทบนั้นๆไม่ว่าจะเป็นคําสรรเสริญหรือคํานินทาไม่ว่าจะเป็นยกย่องหรือเหยียดหยามไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือจะเป็นความทุกข์ไม่ว่าจะเป็น ดีใจหรือเสียใจไม่ว่าจะเป็นได้หรือเสียอย่างนี้แหละเรียกว่าแก่ไม่ขึ้นไม่ลงท่านใช้คำว่าเป็นผู้หนักแน่นไม่วันไหวมีความรู้สึกประดุจภูเขาศิลาแท่งทึบแม้พายุพัดก็ไม่วันไหว ฝนจะกระนำก็ไม่วันไหวเป็นคนที่เรียกว่ายิ้มได้เมื่อภัยมาไม่โศกกาเมื่อทุกมี <c oughs> ยิ้มได้เมื่อถูกเยาะหัวเราะเมื่อถูกเยยแล้วก็วางเฉยได้เมื่อถูกชมเพราะฉะนั้นท่านทลายหนึ่งปีที่ผ่านไป เราท่านทลายควรจะมีรอบในชีวิตคนละสามรอบหนึ่งปีควรมีสามรอบหนึ่งรอบคอบสองรอบรู้และสามก็รอบจัดรอบคอบรอบรู้รอบจัดรอบคอบเกิดจากสติ เกิดจากอปปมาทะสติคือความฉุกคิดฉเฉลียวใจไม่ทำอะไรโดยที่ไม่ได้ฉุกคิดไม่ได้ฉเฉลียวใจอีกในยะหนึ่งก็คืออปปมาทะความไม่ประมาทดิคือรอบคอบหลวงพ่อพระพุทธวิยาน อดีตเจ้าวาดวัดปรีระวงสาวาดเคยเทศอยู่เนืองๆว่าสติมาปัญญาจะเกิดถ้าสติตลเลิดจะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นรอบคอบก็คือดำเนินชีวิตด้วยสติด้วยอัปปมาทะจะได้ไม่ผิดพลาดประการต่อมารอบรู้ คำว่ารอบรู้ก็คือปัญญาและประสบการณ์ความรู้นั้นมีทั้งความรู้จักรู้จริงรู้แจ้งมีทั้งรู้หลักและรู้รอบสตินั้นเป็นตัวกันกันปัญหาทุกอย่างไม่เกิดขึ้นกันความผิดพลาดไม่เกิดขึ้น แต่บางครั้งอาจเผลอสติปัญหาเกิดขึ้นความผิดพลาดเกิดขึ้นก็ต้องใช้ความรอบรู้คือปัญญาหรือประสบการณ์มาเป็นตัวแก้ที่เรียกว่ารู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไวไ้แก้ถ้ารู้ไม่เท่าไม่ทันจะหมดทางกันทางแก้ประการที่สาม รอบจัดคำว่ารอบจัดบางท่านเอาไปใช้ในทางที่ผิดว่าเป็นชั้นเชิงเป็นเล่เหลี่ยมเป็นเล่เพทุบายแต่คำว่ารอบจัดในที่นี้ <c oughs> หมายถึงไหวพริบหมายถึงปฏิภาณหมายถึงประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญความชำนาญและความเจนจัดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราท่านทลายได้ประสบการณ์ผ่านมาอะไรเกิดขึ้นก็สามารถที่จะปรับปรุงพัฒนาและแก้ไขได้สำเร็จปรินั้นท่านสาธุชนทุกท่าน เทตมภาพได้ปรารพบในเบื้องต้นว่าชีวิตของแต่ละท่านแต่ละคนในหนึ่งปีเราได้ดีเพราะกลัวในขณะเดียวกันเราได้ชั่วเพราะกล้าดีเพราะกลัวชั่วเพราะกล้าอันนี้ท่องให้จำทำให้ชินจะเกิดคุณต่อ การดำเนินชีวิตเป็นอันมากที่ว ด, ดีเพราะกลัวชั่วเพราะกล้านั้นกลัวในเรื่องอะไรกล้าในเรื่องอะไรจะได้วิสัชนาโดยย่นย่อเหมาะควรแก่โอกาสและเวลาว่ากลัวในหกกลัวและก็กล้าในห้ากล้าหก กลัวห้ากลา้าถ้าจำยากก็จำไ ง, ไง่ายๆว่าหกห้าโยมก็ยิม้มนึกว่าพระให้หวยอีกแล้วแต่ไม่ใช่เป็นธรรมะดีเพราะกลัวชั่วเพราะกลา้ากลัวหกกลัวกล้าห้ากลา้าถามว่า กลัวหกกลัวนั้นกลัวเรื่องอะไรบ้างหนึ่งกลัวความยากจนสองกลัวคนดูแคลนสามกลัวแฟนดูถูกสี่กลัวลูกลำบากห้ากลัวพ่อแม่อักสีภาคหก กลัวไม่มีทุนที่จะบริจาคเพื่อทำบุญทำกุศลนี่คือกลัวหกกลัวกลัวความยากจนพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้เราท่านทั้งหลายขยันอดทนประหยัดและซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนประหยัด เสื่อสัตว์สุจริตประการที่สองกลัวคนดูแครนคนเขาจะดูหมิน่นเหยียดหยามไม่ให้เกียรติเราท่านทลายก็ต้องพัฒนาชีวิตให้เกิดคุณคำว่าคุณแปลว่าประโยชน์แปลว่าความดีคนอะไรบ้างที่มีแล้วคนไม่ดูหมิน่น คนไม่ดูแครนหนึ่งคุณวุฒิสองคุณสมบัติสามคุณประโยชน์สี่คุณภาพและห้าคุณธรรมห้าคุณนี้แหละสำคัญมากคุณวุฒิคือความรู้คุณสมบัติความพร้อม ความดีที่มีประจำตนคนประโยชน์ความดีที่เราระบายออกสู่โลกสู่สังคมคุณภาพสิ่งที่ทำแล้วไม่ล้มเหลวคุณธรรมคือความดีที่มีในจริตอัทยาศัยแล้วนำออกมาประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งเกิด เป็นภาพพจน์ที่ดีงามเพราะนั้นคนจะไม่ดูแครนถ้าเรามีดีและมีฝีมือดังที่ได้กล่าวประการที่สามกลัวแฟนดูถูกอันนี้เป็นเรื่องชีวิตของเครือขัดที่อยู่ในโลกในสังคมบางท่านบางคนมีคู่ครอง แต่อยู่ด้วยกันไม่มีความสุขบางทีคู่ครองไม่ดูหมิ่นไม่ดูแกรนแต่ญาติอีกข้างหนึ่งดูหมิ่นดูแกรนกลายเป็นคนต่ำต้อยน้อยหน้าวิธีที่เขาจะไม่ดูถูกก็ต้องสร้างหลักฐานสารหลักแหล่งแต่งหลักธรรมคาหลักประกันชีวิตจนกระทั่ง ให้แฟนเก่านั้นอะไรและให้แฟนใหม่นับถือบูชายอมรับให้ได้อย่างนี้ไม่มีใครดูหมิ่นดูแคลนกลัวลูกลำบากอันนี้เป็นเรื่องของท่านผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ที่ว่ากลัวลูกลำบากนั้นไม่ได้หมายถึงเฉพาะลูกในไส้เท่านั้นแม่ลูกน้อง ลูกศิ์ก็เช่นเดียวกันที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะต้องปกป้องคุ้มครองอภิบาลรักษาไม่ให้เขาเหล่านั้นต้องน้อยเนื้อต่ำใจเพราะการเป็นผู้ใหญ่บางท่านนั้นทำให้ผู้น้อย เกิดปัญหายากในการควบคุมดูแลอันเกิดจากความอาคติหรือลำเอียงเข้าข้างท่านจึงบอกว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต้องมีหลักมิใช่รักลหลงไหลคนใกล้กว่าทุกคนในปกครองต้องเมตตามิใช่ว่าบ้าใบ้ สิ้นใหญ่ดีอีกประการหนึ่งท่านถลายท่านที่เคยฟังเทศมหาชาติกันชูชกย่อมประจักษ์ว่าสามีพันยาผู้หนึ่งที่เป็นผู้รับฝากเงินทองของตาชูชกไว้ แล้วก็ใจเบาเอาทรัพย์สินเงินทองที่ตาชูชกฝากไว้ไปใช้หมดเพราะเข้าใจผิดคิดว่าชูชกคงตายเสียแล้วเพราะหายไปนานต่อเมื่อเขากลับมาทวงไม่มีจะให้เขาคู่จะฟ้องผู้พิพากษาตุลาการเกรงติดคุกติดตารางไม่มีอะไรจัดใช้นี่ ผลสุดท้ายก็ยอมเอาลูกสาวคนเดียวหัวแก้วหัวแหวนคือนางอมิตรดาให้เป็นภริยาตาชูชกท่านกระหลายคำว่าอมิตรดานะแปลว่ามีพ่อแม่ไม่เป็นมิตรหรือมีพ่อแม่เป็นศัตรูคำว่าไม่เป็นมิตร หรือเป็นศัตรูก็เพราะนางอมิตตดาได้ตาชูชกเป็นสามีอมิตตดาอายุย่างสิบเจ็ดแต่ชูชกนะ่อายุเจ็ดสิบเจ็ดมันไปด้วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นนางได้ผัวแก่ก็เพราะพ่อแม่สร้างนี้ไว้ให้ จึงได้นามว่านางอมิตรดาเพราะนั้นกลัวลูกลำบากก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ในขณะเดียวกันท่านผู้เป็นลูกเป็นบุตรเป็นธิดาเป็นทายาตก็ต้องกลัวพ่อแม่จะอับสีภาคอับสีภาคนี้อับอะไรบ้างอับจนอับอาย อับเฉาแล้วก็อับปางวิธีที่จะแม่้พ่อแม่อับจนอับอายอับเฉาอับปางก็ต้องกตัญญูดูแลท่านเพราะพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณสุดที่จะพันนา ขอไปด้ว ย, ยังไม่หายจากวัด <c oughs> ยามพ่อแม่แก่เท่าชราการอย่าให้ท่านอดรันทดใจทำความหวังความปรารถนาของท่านให้สมหวังดังตั้งใจอันพ่อแม่ทุกท่านทุกคนนั้นอย่ามีลูก ไม่ได้หวังอะไรมากไปกว่ายามแก่เท่าหวังเจ้าพ้ารับใช้ ย, ยามป่วยไข้หวังเจ้าพ้ารักษาครั้นถึงคราวล่วงลับดับชีวาหวังลูกช่วยปิดตาเมื่อเส้นใจลูกแก้วลูกขวันลูกกระตันยูที่จะไม่ทำให้พ่อแม่อับจนอับอาย อับเฉาอับปางต้องเป็นให้ได้สี่อย่างเป็นให้ได้แล้วก็เป็นให้ดีในฐานะสี่ประการคือเป็นไม้เทา้ายามพ่อแม่แก่ชราเป็นดวงตายามพ่อแม่แลไม่เห็นเป็นพยาบาลหมอบเฝ้าทุกเช้าเย็นแล้วก็เป็นแก้วเนรมิด สมจิตปองเป็นได้อย่างนี้ชื่อว่าเป็นลูกแก้วลูกขวัญลูกกตันยูเฉพาะที่ว่าเป็นแก้วเนรมิตสมจิตปองนั้นนึกย้อนกลับไปเมื่อเราท่านถลายยังเยาววัยปรารถนาอะไรก็ไม่สำเร็จพ่อแม่เป็นผู้เนรมิตให้ทั้งนั้น เมื่อบ้านปราชีวิตท่านไม่สามารถเนรมิตอะไรได้ตัวของท่านเองเราท่านพลายผู้เป็นสายโลหิตจึงควรเนรมิตให้แก่ท่านเป็นการปฏิการะตอบแทนเช่นเนรมิตเสื้อผ้าดีๆท่านไดน้สวมใส่ เนรมิต ท, ที่อยู่อาศัยดีๆท่านได้พักผ่อนในบ้านปลายชีวิตเนรมิตอาหารดีๆท่านได้รับประทานสุดท้ายแม้ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยก็เนรมิตอยู่ยาแพทย์พยาบาลดูแลรักษาท่านสุดท้ายสิ้นชีวิต <c oughs> ก็เนรมิตบุญกุศลอุทิศไปให้ อย่างนี้แหละพ่อแม่จะไม่มีวันอับจนไม่มีวันอับอายไม่มีวันอับเฉาและไม่มีวันอับบางสุดท้ายกลัวไม่มีทุนทาบุญทากุศลพ่อนี้ก็ต้องประหยัดกินประหยัดใช้ในหลักโพคาวิภาคที่โบราณท่านสอนเรื่องการ ใช้จ่ายทรัพย์สินคนแต่ก่อนท่านสอนไว้หน้าคิดว่ามีทรัพย์สินนั้นรู้จักแบ่งกินแบ่งใช้โดยแบ่งเป็นห้าส่วนด้วยกันคือหนึ่งฝากออมสินสองฝังดินไว้สามใช้หนี้เก่าสี่ให้เขากู้และห้าทิ้งสู่เหว จำง่ายๆว่าฝากออมสินฝังดินไว้ใช้หนี้เก่าให้เขากู้แล้วก็ทิ้งสู่เหวฝากออมสินหมายความว่าเก็บหอมรอมริบไว้ฝังดินไว้ได้แก่ทำบุญทำกุศลทำประโยชน์ใช้หนี้เก่าเลี้ยงดูปุพการีผู้มีพระคุณ ให้เขากู้อุ้มชูดูแลกุลบุตรกุลธิดาทิ้งสู่เหวได้แก่กินใช้ในแต่ละวันนี่แหละคือหลักโพเขวิภาคประการต่อมาเมื่อได้ดีเพราะกลัวก็ระมระวังคราวนี้ชั่วเพราะกล้าบางคนทำไมจึงเสียชื่อเสียเสียง เสียเกียรติยศเสียตำแหน่งหน้าที่แม้กระทั่งเสียชีวิตก็เพราะมีความกล้าอันความกล้านั้นถ้ากล้าในทางดีท่านเรียกว่าวิสาระระแปลว่าแกล้วกล้าถ้ากล้าในทางไม่ดีท่านเรียกว่าบ้าบินชั่วเพราะกล้านั้นมีอยู่ห้าลักษณะ หนึ่งใจชั่วสองคิดว่าตัวเก่งกล้าสามปิดามานดามีอิทธิพลสี่มีคนคอยช่วยเหลือและห้าไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษห้าเรื่องนี้สำคัญมากใจชั่วพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าทุต จินติตะจินตีคือมีปกติคิดไม่ดีคือคิดชั่วเมื่อคิดชั่วต่อไปก็พูดชั่วและต่อไปก็ทำชั่วเพราะขาดวัคซีนทางจิตอันวัคซีนทางจิตหรือภูมิคุ้มกันเชื้อชั่วนั้น ก็คือฮิริโอตั ป, ปะดังพระบาลีที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุเทศเทศนานเบนื้องต้นว่าฮิริโอต ป, ปิยันเยวะโลกังปาเลติสาธุกังฮิริโอต ป, ปะความละอาชั่วครูบาปเป็นคุณธรรมปกป้องคุ้มครองโลกให้อยู่ได้ เพราะนั้นท่านสลายอายชั่วกรัวบาปก็คือเบรกหรือห้ามร้อทางจิตใจมีคำที่นักปราชญ์แต่โบราณท่านพูดไว้หน้าคิดว่าความดีทำยากลำบากแล้วสบายความชั่วทำง่ายแต่สบายแล้วจะลำบาก คือเหตุกับผลทำไว้อย่างไรบ้านปลายก็เป็นอย่างนั้นขึ้นชื่อว่าความดีทำยากเพราะต้องฝืนใจทำต้องโต้ต้านกับกิเลสหรือมารที่มาขัดขวางแต่ถ้าทำได้แล้วเอาชนะได้แล้วสบาย คนแต่ก่อนจึงบอกว่าตอนต้นสู้ทนทุกข์จะได้สุขเมื่อตอนปลายถ้าตอนต้นชอบสบายจะได้ร้ายเมื่อปลายมือส่วนความชั่วทำง่ายสบายและลำบากคือทำที่ไหนก็ทำได้แต่ว่าเมื่อทำเข้าไปแล้วที่เคยสุขก็จะกลายเป็นทุกข์ ที่เคยสบายก็จะกลายเป็นลําบากพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าในเรื่องความดีความชั่วทำที่ไหนถ้าเป็นความดีดีเหมือนกันความชั่วทำที่ไหนก็ชั่วที่นั่นแล้วประการสําคัญโดยเฉพาะความชั่วนั้นบางอย่าง ปกป้องคิดว่าคนอื่นไม่รู้แต่ว่าตนก็ยอมรู้ฟ้ามีตาเทวดามีจริงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้สุจินติตะจินตีมีปกติคิดดีแล้วพูดดีทำดีชีวิตจะได้มีศักดิ์ศรีมีสงา่าประการที่สองบางคน คิดว่าตัวเองเก่งกล้ามีอำนาจวาสนาไม่มีใครทําอะไรได้เพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็ได้มีความเก่งกล้าเพราะตัวเองเก่งคนอื่นเป็นฝุ่นเป็นผงแต่ข้อนี้ท่านก็เตือนเอาไว้ว่ายามทรงศัก์อักริตคิดว่าเอกบริวารใหญ่เล็กล้อมหน้าหลัง เหมือนน้ำหลากมากนองท้องฉลังครั้นเอวังฝั่งโพรก็เจอต่อที่เรียกว่าน้ำลดต่อผุดดังที่ท่านทลายจะประจักษ์ในโลกในสังคมทั่วไปประการที่สามบางท่านบางคนคิดว่าบิดามารดามีอิทธิพลมีอำนาจพ่อใหญ่แม่ใหญ่ ลูกก็กลายเป็นนักเลงเช่นลูกของนักการเมืองทั่วโลกใช้อำนาจวัสนาพ่อแม่ไปก่อกรรมทำเข็ญก็ทำให้ชื่อเสียงวงตระกูลเสียหายบางคนทำชั่วเพราะคิดว่ามีคนจะช่วยเหลือไม่เป็นไรเรามีพวกมหาเรามีผู้ใหญ่หนุนหลัง ใครจะเดือดร้อนก็ช่างประไรแต่บางท่านชั่วเพราะไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องนี้มากตัวอย่างก็มีให้เห็นเป็นประจักษ์ตั้งแต่ครั้งพุทธการจนกระทั่งถึงปัจจุบัน คนที่ไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษตกนรกหมกไหม้มากก็มากแล้วในนรกนั้นมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งพผานมีทั้งบัณฑิตมีทั้งชาวบ้านมีทั้งข้าราชการมีทั้งคฤหัสมีทั้งบรรบจิตในนรกก็ไม่เลือกในสวรรค์ นั้นเลือกคนที่จะไปต้องเป็นคนที่ทำดีเท่านั้นแต่ในนรกไม่เลือกชั้นวันนะจะเป็นเพศใดฐานะใดตกนรกได้ทั้งนั้นถ้าไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ในตายนะคาถาพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้กุโสยะถาทุกคหิโต หัตเมวานุกันตติสามัญยังทุปรามัถังนิระยายูปกัถติแปรถอดความว่ายากขมบางอันบุคคลจับไม่ฉลาดย่อบาดมือได้ฉันใดคุณเครื่องความเป็นผู้สงบระงับ เป็นคนดีไม่เลือกว่าคฤหัสถ์หรือบันพชิตถ้าหากว่าประพฤติผิดพลาดบกพร่องเสียหายที่เรียกว่าลูกคลำชั่วย่อมฉุดดึงลงนรกได้ง่ายได้ฉันนั้นแล้วก็ตรัสย้ำไว้อีกว่ายังกินจิตสิทิลังกรรมังกรรมอันใดที่เป็นไปด้วยความย่อหย่อน สังกิริถังจะยังวตังวัตปฏิบัติอันใดที่เป็นไปได้ความเศร้าหมองกินแหงสังกัดสรัางพรหมจริยังพรหมจันทร์อันใดที่ตามระลึกนึกถึงแล้วเกิดความกินแหนงรังเกียจณนะตังโหติมหพลังพรหมจันทร์นั้นไม่มีผลเลยเพราะฉะนั้น ญาติโยมทั้งหลายจะเห็นได้ว่าในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาบุคคลต่างๆที่ตกนรกนั้นมีทุกระดับมีทั้งเพศภาวะแม้แต่พระที่โด่งดังคือพระเทวทัตก็ถูกธรณีสูบตกนรก ในเรื่องมหาชาติก็เช่นเดียวกันคนที่ทำดีก็ได้ดีหมดคนที่ทำชั่วก็ตกนรกหมกไหม้หมดข้อนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าถ้าไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่มีฮิริโอต ป, ปะไม่ยับยั้งชั่งใจแต่มีความประมาทหรือมีความย่ำใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นอาจินอันนั้นแหละจะทำให้เรากลายเป็นคนชั่วเพราะกล้าท่านทหลายพระธรรมเทศนาเรื่องโลกธรรมกาถาหรือโลก โ, โ, โ, โลกโลกภารธรรมกาถาธรรมะคุ้มครองโลกสองประการก็คือฮิริโอตัปปะ แล้วขยายความว่าชีวิตเราทุกท่านทุกคนได้ดีเพราะกลัวได้ชั่วเพราะกล้าดีเพราะกลัวหกลัวก็คือกลัวความยากจนกลัวคนดูแคลนกลัวแฟนดูถูกกลัวลูกลำบากกลัวพ่อแม่อับสีผ้าและก็กลัวไม่มีทุนที่จะบริจาคทำบุญทำกุศล มีนัยยะและวิธีป้องกันดังที่ได้วิสัชนามาส่วนชั่วเพราะกล้าห้าประการคือชั่วเพราะใจชั่วคิดว่าตัวเก่งกล้าบิดามารดามีอิทธิพลมีคนคอยช่วยเหลือไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษข้อนี้ต้องมีวัคซีนทางจิตฉีดชาร์จวัคซีนทางจิต คคอฮีริโอต ป, ปะพระอายชั่วกลัวบาปไว้มากจะได้มีเบรกหรือห้ามร้อทางจิตใจจะทำสิ่งหนึ่งประการใดก็เฉลียวใจฉุกคิดเสก่อนมีความรอบรู้มีความรอบครอบดังที่ได้วิสัชนามาอาตมภาพได้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนา เพื่อเป็นการเสริมธรรมเสริมปัญญาแด่ดทุกท่านสมสมัยได้เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตารัตนตยานุภาเวนะสตาโสถีพวันตุเตขอสัพพมงคลสิริมีนะท่านพรันขอเทวะ ขอเทวะและเทวันบริรักษ์ท่านไว้ด้วยานุภาพแห่งวรรัตวิเศษตรทุกเมื่อเจริญในสิริโสตทิท่วนเพืินรัตนัตยานุภาเวนะขอเดชะคนพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์เจริญสุขสิริศักมีหลักฐาน ขอเดชะคุณพระธรรมรัตน์กำจัดพานให้ไพศาลผุดผ่องพ้นผองภัยขอเดชะคุณพระสังครรษกำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบจนจนเกินไขขอเดชะคุณพระไตรรัตน์ดังชัดัยเจริญวัยเจริญสีทวีสุขทุกประการ รับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนามาโดยประสงค์ก็ขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาชนียะถาวาิวหาปุราปริปุเรนติสากรัง เอวเมวอิโตทินังเปตานางอุปกัปติอิจิตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวะสมิจตูสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรสอยทานมณิโชติระโสยทาน